ธรมสรั้กชามีสังขังสร ความเดิมตอนที่แล้วพญามานําทัพมารเข้ามาเ่าเทพยาดาพากันลี่ยหนีมารลำพองใจแต่ไม่สามารถทําอะไรสมรักโุดมได้พญามาจึงอ้าว่าเป็นเจ้าของบริเวณที่ใต้ต้นสีมหาโพนี้โดยมีสมุนมารเป็นพยานไปสมรักโคดมที่ลงพื้นเชิญพระธรณีมาเป็นพยานว่าสุนทราพุทธสา พ, พระธรณีจึงปรากฏกายขึ้นดีบมวยผมหลังน้ําเพื่อประกาศว่า พราะสมนาุณดมเป็นเจ้าขอสถานทีน่นี้น้ำจากมวยผมพระธรณีกลายเป็นมหานาทีไหลท่วมพลรมาณทลายจนจมหายแม้แต่พญามารที่เริ่มสำลักได้เราเทพยาทั้งหลายกลับมาสาธุการและสมนาคุณดมก็ทรงเริ่มตรัสรู้ขั้นแรกคือการรลึกชาติในยามต้นหรือปฐมยามเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังละครบทยุเรื่อง พระพุทธเจ้ามหาบุรุษแห่งชโยตุวีตอนที่ยีสสได้นบัดนี้ ไหวใแล้วแผนที่ไหวที่ของเกิเดเหตุอันใดถือใหญ่บนโลกของเราแน่แน่เซ๊แต่ยายกำลังไม่สบายพูดนะอยู่ น, นี่เออเออคนนั่นน่ะสิ<อ>ไม่ข้าถึงลุกขึ้นได้แล้วยังรู้สึกหายดีแล้วยังมีมันมีอาเพศอะไรไม่ใช่อาเพศแต่เกิดเหตุในสิ่งที่ดีอมองดูทองฟ้า น, นั่นสิ อยู่ดีๆก็ไม่แสงสว่างจา้านี่เหมือนกลางคืนกลายเป็นกลางวันเลยตาใช่ <c oughs> สัตว์ทั้งหลาย <c oughs> ที่ข้าถงโซ่ตัวนเอาไว้ทำไมถึงลูกออกมา ว, วิ่งเล่นกันได้อย่างนี้เนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะผู้ชาวบ้าชาวเมืออาจะไรู้ว่ากเกิดเหตนนั้นได แต่เราที่พยาดาทั้งหลายต่างรู้นิว่าพระบรมพุริสัต์ได้ตดรัสรูเป็นพระสัมมาสัรพุทธเจาแล้วไม่ใช่มีแต่ท่านเท้ามหาพรมและพวกท่านที่อยู่ณที่นี้เท่านั้นที่ได้ร่วมเป็นพยาในการตรัสรู้ข้าพเจ้ามีนามว่าอาริอสัต์ได้ใช้ทิพยาเนเรศมองขึ้นไปบนแดนสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นชกามาวจรหรือโสรสพรมทั้ง16ชั้นฟ้า ก็เห็นทวยเทพทุกองตามยินดีปรีดาและพากันแปล่งสาวการดังลั่นไปทั่วแดนสวรรค์เคยก็ได้ยินด้วยเทพยโส์เช่นกันท้าสกาัดเทวราชและเชื่อว่าอิมไม่ช้าทั่วทั้งทนภากาศนัตมณูรุเวลาเสนานิคอมีคงจะคาคัา่งไม่ได้เหล่าทวยเทพที่พากันเสด็จมาเรบบาหบังว่าจะได้พาพระพตทธองค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองกจะล่วงข้ามาชิมายามหรือยามสองแล ทันถามหาพรมรอบ ก, กายพระสมาโคดมเอ้ยไม่ใช่สิรอบพระวรกายของพระพุทธองค์พลันมีรัศมีเปล่งออกมาสว่างจา้าหรือว่าพระองค์จะทรงรู้แจ้งในสภาวิทยาอันใดเพิ่มขึ้นอีกเทพยาดาถั้งลายก็คิดว่าน่าจะเป็นจริ วิชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเรามีจกักรุูกทิพย์บริสุทธิ์กว่าจากักรุูกสามัญของมนุษย์เห็นเหล่าสัตว์ผู้จุด ต, ติอยู่บังเกิดอยู่เลวประณีตมีวันณะดี วันนัสามมีสุขมีทุกข์รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ ท, ท, ท่านเท้ามหารพรหมผู้มีทิพยพยายาม ทันแจ้งหรือไม่ว่าในยามกลางแห่งราตรีนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ในเรื่องอันใดพระองคุทมีจิตตั้งนั้นไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากกิเลสจึงปม่เห็นให้น้อมจิตไปเฉพาะต่อจูตูปปาติยานและทรมีจักขุทิปแล้วจักขุหรือจักสุทิปก็คือเนทิปใช่หรือไม่แล้วจะแตกต่างอันใดกับข้าพเจ้าโกสีผู้มีทิพยเนตรละ่ะ ข้าพเจ้าสามารถมองเห็นความเป็นไปในสามโลกโดยไม่ต้องตัดสรุอัในใดท่านเข้าใจผิดแล้วองค์อมรินแม้ว่าพระญินเช่นท่านจะมีทิพยายนเทเห็นเหตุใดที่อยากเห็นได้แต่ก็เห็นเป็นเฉพาะสิ่งที่เป็นเปลือกเท่านั้นเช่ในใครกำลังทำอะไรที่ไหนแต่พระพุทธองค์ทรงมีจากูทิพย์แทงทะลุเข้าไปถึงอย่างไรอันเป็นพุกรรมที่ทามาท่านในชาติที่แล้ว ชาตินี้และชาติหน้าข้าพเจ้าเข้าใจจำแจ้งแล้วทั้งเท้ า, ทามหาพรมเมื่อเทียบที่พยาเนตรของข้าพเจ้าอันน่าภูมิใจกับที่พยาจักขุของพระพุทธองค์ในตางข้าพเจ้าก็คงเหมือนดังแสงหิ่งห้อยที่พยายามใช้แสงอันน้อยนิดคิดจะเทียบกับแสงอาทิตย์เท่านั้นย่อมม่อาจเทียบทันได้ทุกท่านจงเปล่งสาธุ ก, กาน เพื่อเป็นการบูชาพระมหาบุ d h i อันประเสรนี้ เ, เทพปรพยดาทั้งหลายสาธุ เ็พี่ทรงตื่นบรรทมแล้วลุกขึ้นประทับนั่งในเวลากลางดึกอย่างนี้ทำไมหรือเพคะอะนี่เป็นเวลาอะไรกันล่ะประชจาบดีเมื่อครู่นี้ทหารพิ่งลั่นคองบอกเวลาน่าจะเป็นมัชิมยามหรือยามกลางแห่งราตีเพคะเสะ ด, ด็จพี่เนี่ยอยู่ดีๆพี่ก็เกิดฝันถึงสิทธาถาขึ้นมา ทั้งที่เคยรู้ว่าลูกได้ถึงกาละจากเราไปยังไม่มีวันกลับแล้วพิมพาก็เพิ่งฝันถึงสวามีของเขาเพคะหรือจะเป็นวิญญาณของลูกเรามาหาไม่น่าจะเป็นไปได้ในฝันพี่ก็มาริคิดว่าลูกตายแต่มองเห็นเป็นแสงสว่างโพยพุ่ง อ, ออกจากกายมือนสวรรณรัง ส, าางสีแล้วสว่างจ้าไปทางทองฟ้าเหมือนเวลานี้น้องมา อ, อกไปนนหน้าตามสิประชามันิ มีแสงสว่างบนฟ้าทางทิศตะวันออกนั้นคงไม่ใช่แสงแห่งดวงตะวันก็นมันจะขึ้นหรอกนะนี่เพิ่งเป็นเวลายามสองเองนะเพคะเสด็จพี่หม่อมฉันว่าสุบินิมิตในคราวนี้น่าจะเป็นนิมิต ท, ที่ดีอืมอมืพี่กบคิดเหมือนกันนะเอ้ะงั้นนอนต่อ น, นีกว่าเพื่อว่าจะฝันถึงสิท ธ, ธะอีกสกุลพอช่วยบัลลโอมใจให้พอทนไม่ชิ่งไต่อไปได้ เรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสไม่วันวายในยามปลายแห่งราตรีเราได้รู้ชัดความเป็นจริงว่านี่ทุกนี่เหตุแห่งทุกนี่ความดับไม่เหลือแห่งทุกนี่ทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเมื่อเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ก็เกิดญาณอย่างนู้ ว่าจิตผลนแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ต้องทำได้ทำสำเร็จแล้วพ้นจากสังสารวัตรแล้วไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ในอริยสัจส์่คือทุกข์สมุทยัยนิโรธมักซึ่งจะไปที่รู้จักแพร่หลายในภายภาคหน้าทั่วสากลโลกนับว่าพวกเราทั้งหลายโชคดียิ่งที่ได้มาเฝ้าพระสัพพัอยูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันในที่นี้พวกเราดูสิมีสุวรรณรังสีสว่างจ้ามากกว่าครั้งใด เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดพลิมไหวขึ้นไปอีกแล้วนะสิพร้อมพร้อมกับแสงอรุณที่ไข่สุกออานักขิดบุระพุทธปก โชเทได้ยังไงกันเดียวนี้แล้วใจนั้นหลังทงองงงทำไมหลังเยียดตรงขึ้นมาได้ล่ะจิค่ะก็เกิดมีกำลังวางชาเหมือนคนหนุ่มขึ้นมาได้จิแล้วาก็รู้สึกอยากจะเลิกความชั่วร้ายซะทีต่อไปเนี่ยจะเป็นคนดีไม่ลักขโมยปนข้าไม่ฉุดล้ายยู่คนไหนบุญตาด้ย ทุกทรมานถึงพากันยินดีปรีดาเช่นนี้นมาดูนั่นสินาำในกระทางทองแดงอันเดือดและร้อนแรงอยู่ตลอดเวล า, ลากลับกลายเป็นน้ำหวานอันเย็นชื่นใจสามารถลีดและแหวกว่ายไปมาได้ <c oughs> แล้วนั่นหนามอันแหลมคมของนิ้วนรลบก็พันอ่อนนุ่มเหมือนขนแห่งจามรีแถมเ่าอีกาปังเล็กที่เกาะยอดไม้จม่ยอมจิกตีสัตว์กตนใด S <S อยางนี่ขาจดไปอีกอกิ๋วไปยังไหวหอย่ากลั บ, บ, บลมาอีกขอแตรลรหายภาบและวกัีพวกเจ้าได้ทำไวย่อมไม่มีวันสิน้นไปเพียงแต่ระงับยับย่างไวเพื่อทวายเป็นหมาพุ่ศุนแด่พระพุทธโกดมที่ได้ตรัสรูเท่านั้นในอ้อนพันเวลาสักนาที โอ้ข้าก็ยินดีนักหนาแล้วล่วะท่านก็เหมียนกันแช่มาพยาบาลวัสวัสดีมื่อครู่ท่านก็รีบดื่มน้ำทองแดกงกันคืนร้อนแรงพราะป่าพวกท่านเป็นกันเนี่ยเจ้าสัตว์มรพคุกเนี้ยบังอาจลบรู่พยายามมัจจุราชผู้ยิ่งใหญ่อืมไม่เป็นไรนิริยาบาลไม่ว่าจะเป็นวัสวันดีมานหรือพยาบาลเราก็ไม่อาจหน เพียงแต่กำรรได้ผลหลายพระวายเป็นพุทธปุชาในเวลาที่ พ, พระพุทธองค์เสวยวิมุติสุข49วันทั้งนั้นนั่นจะเป็นเวลาบรมสุขของพวกเราทั้งไหลโปรดเปลงสาทุกกลางถวายพระพุทธองค์กันเทินพวกเราราาจุพูดต่างยินดีปรีดนาะแต่ข้าสังเกตว่า ท่านพยามาจุราตมีสีหน้าไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เราเคยเป็นพยามารผู้ใหญแต่เมื่อมาอยู่ในอเวจีนารกกุมนี้ก็จะมันเกิดมีพยามารตนใหม่เข้าไปบรบกวนพระสัพพัยู่อยู่นี่เรา บ, บุทธอง์ทรงมีบารมีมากเท่าไห น, นมันก็จะมีเลขบเล็บายและลิกตเด็อบรายขึ้นตรนั้น เนออี่ลาจึงทำให้เราหวั่นใจท่านทอมหาพรม้ม พู้ข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจเทพยดาทั้งหลายผู้ท่านแปลกใจดูเรื่องอะไรที่พวกข้าพเจ้าแปลกใจและสงสัยก็คือสมเด็จพระสัพพัญยูพุทธเจ้าทรงเข้าฌานสมาบัติไม่เสวยอาหารและน้ำใดเลยเป็นเวลานานถึงเจ็ดวันพระองค์ท่านจะทรงบำเพ็ญทุ ก, กรกิริยาอีกหรือ ย, อยางไ ร, ทรเทพยดาทั้งหลายพวกท่านเข้าใจผิดแล้ว พระมรมศสาสดาสวยในสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเราได้ข้าพเจ้าลองใช้ทิพยเนตรมองก็ไม่เห็นอัใอนอใดที่พระพุทธองค์จะทรงนำมาสวยเลยท่านเท้าหมาบลงท่านจะเห็นได้อย่างไรโอวินทราเพราะที่พระมรมศาสดาสวยก็คือสวยธรรมปิติด้วยมีมุติสุขจนครบสัตวานหรือเจ็ดวันและนั่นได้ทรงลุกจากโพธิบัลลังก์ ประทับยืนณทิศอีสานลืมพระเนตรบูชาพระมหาภูกำหนดเจ็ดวันและที่นั้นต่อไปจะมีนามว่าอนิมิตเจดีย์ที่แท้เป็นเนช่นนี้นเราสหาเทพ ย, ยดา ข้าพเจ้ามีความสงสัยแต่ไม่อยากรบกวนท่านเท้ามหาพรมผู้เป็นใหญ่งั้นท่านก็ถามข้าพเจ้าสิเพื่อบางทีข้าพเจ้าจะตอบข้อข้องใจของท่านได้ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเท้าสักกะที่ข้าพเจ้าสงสัยก็คือนอกจากอนิม้มีเจดีย์แล้วยังจะมีเจดีย์ใดเป็นพุทธสถานที่ระลึกในการตัสรุนี้อีกหรือไม่ดูก่อนท่านเทพพยาดาทลาย พระบรมศาสดามีพระดำดาศ์แก่พวกเรารท่านทรงู่้ในความกังขาแห่งผู้ท่านทลายนัีนจงต้องใจฟังกันที่ดีเทพพยาดาทั้งหลายในยามอรุณรุ่งของวันที่สิบ้านับแต่อาตามไในตรัสรู้อนุตรสัมโพธิานี้อาตามะจะลุกมาจากอนิมิสเจดีมาเดินจงกรมระหว่างต้นสีมหาโพ ก, กับอนิมิตเจดี เพื่อสแสดงความกตัญญูกตตะเวทิตาแด่พระมหาการุณาธิคุณของพระชนกชนนีทั้งในชาตินี้และชาติที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี้จะมีนามว่ารัตนจงกรมเจดีย์สื่อไป แต่ท่านทอมหาพรมพระบร ม, ม ศ, าศาสดาไม่สเสวยพระกัยอาหารมารับได้21วันแล้วนะเจ้าค่ะเทพยาดาท่านหลายผู้ที่มีความภูมิใจในพระพุทธองค์หรืออย่างไรปูคาพเจ้าเข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งแล้วย่อมมีพุทธบุญญาแต่ถึงอย่างไรพระองค์ท่านก็ยังคงเป็นมนุษย์ธรรมดาร่างกายน่าจะมีความหิวกะหายที่มนุษย์จะพึงมี เชา้านี้วันที่22พระมหาบุรุษได้เสด็จออกจากรัตนจงกรมเจดียบ่ายพระพักไปในทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้แห่งต้นพระสีมหาโพธิ์โอ้พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมนั่นปรากฏพระฉับพันรังศรออกมาจากพระวรกายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้ตัดสรุในการก่อนย่อมมีพระสมีสีเขียวสดหรือนีละหนึ่ง พระรัมีสีเหลืองหรือปิตาหมึ่งพระรัศมีสีแดงหรือโลหิตาหมึ่พระรัศมีสีขาวหือโอทาตาหนึ่งพระรัศมีสีหงส์วางหรือมันเชิดถาหนึ่งและพระรัศมีสีเรื่องราหรือประภัดสอนหนึ่งรวมเรียกว่าฉาปนกรณีและพระพุทธองค์ทรงแสดงตลอดจิตวาราตรีณสถานที่ที่มีหนาว รัตนาคจติ นี่เป็นเช้าวันที่ยี่สิบเกนับจากวันที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วนั่นทรงลุกขึ้นจากรัตนาราเจดีบ่ายพระพักไปในทางบุรพาทิศของพระศรีมหาพงศ์แต่ตรงนั้นมีลำน้ำเนรันชลาขวางหน้าแล้วยังทรงทาท่าเหมือนจะเสด็จข้ามแม่น้ำไปผู้ท่านเทพ ย, ายดาท่านหลายจะพากรตื่นเต้นไปทาไมไม่เห็นเรื่นั้นว่า มีชายเจ้าของเรือพายอยู่ตรงนั้นกับเรือของเขาเฮ้ยธ น, นัตบวตท่านมีความประสงค์จะข้ามลำน้ำนี้ใช่ไหมจเจริญพรท่านเจ้าของเรืออัตมาจะข้ามไปฝั่งโน้นรบกวนเป็นธุระพาอาัตมาข้ามไปทีนีนน่ทำไมมาพูดอะไรง่ายๆอย่างนี้ล่ะข้าหนี่ยนะ ท้ายเรือคนนัง่งโดยมีค่าจ้างเป็นสินรางวัลเท่านั้นนะนะท่านะมีค่าจ้างหรือไม่ละ่ะอาตามาไม่มีทรัพย์สินอันใดนอกจากผลบุญอนุโมทนาให้อบุญเนี่ยกินเข้าไปได้ที่ไหนล่ะเสียใจนนะักบวชถึงท่านจะดูมีสง่าราศีแต่จะมานั่งเรือขาดโดยไม่จ่ายเงินค่าจา้างงนี้เนี่ยอืไปหาเอาขึาน้นะมาเถอะนะมาค่าเสียใจด้วย นามผู้แสดงสัจพฤษศรีหามีีปันทรัตรพนเกียรติบุรโชนสันศรีศริยาพรวรการเจริญดีเปรมกมลโชติกาสเดียนธานิดศรีสินรัต น, น์เกณิดเรืองศีสุพิศราพัน์เจริญพิทยารักสุทธิพัฒน์อ่อนปรางจรุพัฒน์เสวตระศ์โชติกาเสเวตระศ์รอรวีนาจเจริญพิทยารักนัทธพงศ์มัฒนาบุญญาบันทึกเสียงวรการเจริญดี กับการแสดงสัจพุทธศีหเมีทีอํานวยการผลิต